นี่มาขึ้นเล่มหกสิบหกเลนะดูข้อความในอัตรกรถาก่อนในสูตรเนี้เป็นคําถามของพระพุทธเนรมิตรเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนรมิตรพระพุทธเนรมิตรขึ้นมาหนึ่งองค์แล้วก็พระผู้มีพระภาคที่เป็นพระพุทธเนรมิตรเนี่ยถามพระธรรมก็มีพระสูตรที่พระพุทธเนรมิตรถามเนี่ยนะอยู่ ห้าสูตรด้วยกันเนี่ยนะก็คือปุราเพทสูตรกัลหะวิวาทสูตรจุฬาวิยุหสูตรมหาวิยุหสูตรแล้วก็ตุวัตกะสูตรเนี่นยนะมีห้าสูตรในที่พระองค์สุต ร, ตรทั้งพระสูตรเหล่านี้เนี่ยก็คือมีในมหาสมัยมหาสมัยก็คือมีพระพิสุปประชุมกันห้าร้อมีเทวดาเนี่ยนะมาจากหมื่นโลกธาตุเนี่ย มีเทวดามาประชุมหาที่สุดไม่ได้ก็ี้พระองค์ก็ตรวจดูอัธยาศัยของเทวดาว่าเทวดาเนี่ยจะบรรลุธรรมะเพราะสูตรใดเพราะธรรมะประเภทไหนเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงธรรมะเป็นที่สปายะของเทวดาที่เป็นราคะจริตในมหาสมัยนั้น ก็ทรงให้พระพุทธเอริมิทถามปัญหากับพระองค์พระองค์ก็ได้ตรัสสัมมาปริภะชานียสูตรนะนสำหรับพวกราคะจริตส่วนในมหาสมัยนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงทราบจิตของทวยเทพผู้มีจิตเกิดขึ้นว่าก่อนตายนะนะก่อนตายแตกเนี่ยควรจะทํำยังไงนะชีวิตที่เหลือก่อนจะตายเนี่ยนะควรทํำยังไงว่ากัน เพราะฉะนั้นเพื่อจะอนุเคราะห์ทวยเทพเหล่านั้นพระองค์จึงทรงพาพระพุทธเนรมิตรเนี่ยนะด้วยภิกษุพร้อมด้วยภิกษุสองร้อยเอ่อสองพันห้าร้อยรูปมาทางอากาศแล้วทรงให้พระพุทธเนรมิตรทูลถามกับพระองค์พระองค์ก็ได้ตรัสพระสูตรนี้ <c oughs> ถามว่าตรัสไว้ยอย่างไรตรัสไว้ดังต่อไปนี้ว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ผู้วิเศษ รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบหรือว่าอารมณ์ที่ได้รู้แจ้งได้ถึงได้สแสวงหาได้เที่ยวตามไปด้วยใจเนี่ยนะของโลกพร้อมด้วยเทวโลกด้วยตนเองคือพระองค์เนี่ยตรจตราแม้กระทั่งสิ่งที่จะสัตว์ทั้งหลายนึกคิดกันหมดเนี่ยนะ <c oughs> บรรดารูปอารมณ์ที่จำแนกออกไปไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเป็นต้น รูปารม์ไร่ไรหรือบรรดาเสียงทั้งหลายเนี่ยสัท ธ, ธารม์เนี่ยที่จําแนกออกโดยมีเสียงกลองเป็นต้นอารมณ์มีสัท ธ, ธารมณ์เป็นต้นเนี่ยคือเสียงไร่ไรมิได้มีในที่ใดๆคือไม่มาสู่คลองในห่วงพระยานของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอ่ะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกล่าวว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเนี่ยทุกอารมณ์เนี่ยพระ อ, องค์รับรู้หมดอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นอนะ่ะอย่างของเราได้ยินเราเห็นเนี่ยไม่ใช่พระผู้เปเจ้าไม่เห็นนะพระองค์ก็เห็นสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายสิ่งใดที่เทวดาและมนุษย์ได้เห็นได้ฟังได้รู้ได้รู้แจ้งได้ถึงได้เที่ยวตามไปด้วยใจของโลกพร้อมด้วยเทวโลกเราย่อมรู้สิ่งนั้นเราได้รู้ทั่วสิ่งนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ ได้กระทำทวยเทพเหล่านั้นทั้งหมดให้เป็นสองส่วน น, นะคือเทวดาที่มาประชุมหาประมาณไม่ได้เนี่ยไม่ต้องนับว่าเท่าไหร่เนี่ยพ ร, ระองค์ก็แยกเป็นสองส่วนคือพวกพภะกับอพภะคือพวกพอจะบรรลุกับพวกไม่บรรลุนะแบ่งพวกบรรลุกับไม่บรรลุสองเป็นสองพวกก่อนในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กล่าวไว้โดยเป็นต้นว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยเครื่องเครื่องกั้นคือกรรมเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าพวกอาภะ คือพวกไม่ได้บรรลุนะก็คือกรร ม, มาวาลทำมนันติกกรรมเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ไม่ได้บรรลุสองพวกกิเลสาวรคือพวกเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นพวกนิยตมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้บรรลุพวกกิเลสาวรอย่างที่กล่าวไปพวกอะไรวิปากาวรก็คือพวกปฏิสนธิด้วยทวิเหตุหรือด้วยอาเหตเนี่ยนะหรือว่าถ้าเป็นทางพระพิโสก็อานาวิติกมะเนี่ยนะก็ยังเป็นอาบัติดตัวอยู่พวกนี้ก็ไม่คู่ควรกับการบรรลุ ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเหลียยแลสัตว์เหล่านั้นแม้อยู่ในที่เดียวกันแปลว่าพระองค์ไม่สนใจพวกไม่บรรลุนี่ย น, นะมาใส่ใจเฉพาะพวกที่บรรลุคือพวกไม่มีเครื่องกัน้นคือกรรมเป็นต้นเรียกว่าอาภัพพวกพภพพระเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จไปสงเคราะห์สัตว์เหล่านั้นแม้อยู่ไกลคือพวกพอที่จะได้บรรลุเนี่ยนะแม้ไกลขนาดไหนพระองค์ก็ไปในที่ประชุมเทวดานั้นเทวดาเหล่าใดาเป็นอาภัพ คืออภพะพพคือพวกไม่ได้บรรลุเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละเทวดาเหล่านั้นทรงสำรวจพวกเทวดาพวกที่เป็นพภะพพคือพวกที่พอจะบรรลุครั้นทรงสำรวจแล้วก็ทาให้เป็นหกส่วนตามจริตแบ่งเทวดาพวกจะบรรลุเนี่ยเป็นหกจริตนะพวกราคาจริตมีประมาณเท่านี้พวกโทสะจริตมีประมาณเท่านี้พวกวิตตกจริตมีประมาณเท่านี้พวก สัทธาจริตมีประมาณเท่านี้พวกพุทธิจริตเนี่ยนะหรือญาณจริตมีประมาณเท่านี้พง์ก็แยกจริตทั้งหมดแล้ต่อจากนั้นก็ใคร่ครวญถึงพระธรรมเทศนาเป็นที่สบายของสั ป, ปายะของชนเหล่านั้นตรวจ ด, ดูจริตเสร็จแล้วก็ตรวจ ด, ดูธรรมะที่เหมาะสมกับเทวดาแต่ละคนแต่ละคนน่ย น, นะก็ทรงกําหนดเทศนาได้ว่าเราจะแสดงสัมมาปริภาชนายสูตรแก่เทวดาพวกราคะจริต จักแสดงกลหะ ว, วิวาทสูตรแก่เทวดาพวกโทสะจริตจักแสดงมหาวิยูหสูตรแก่เทวดาพวกโมหจริตจักแสดงจูระวิยูหสูตรแก่เทวดาประพวกวิตกจริตแล้วก็จักแสดงตัวตะกะสูตรแก่เทวาดาพวกสัทธาจริตส่วนสูตรที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยนะคือปุราเพทสูตรแก่เทวดาพวกพุทธิจริตเนี่ยนะและพระองค์ก็ทรงคํานึงถึงบริษัทนั้นต่อไปว่า บริษัทเนี่ยจะพึงรู้โดยอัตตทยาสั ย, ยนะนะโดยอัตยาศัยของตนหรือว่าปรัตยาสัยอัตยาศัยของผู้อื่นหรือโดยอุปัติเหตุคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือโดยปุจฉาวสะอำนาจคําถามหนอคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วพระองค์แสดงขึ้นมาลอยๆอันนี้ไม่ใช่แต่จะต้องมีเหตุให้แสดงแสดงเช่นเพราะปราลบปรารบพระองค์เองหรือปรารบผู้อื่น หรืออาศัยเกิดทำเรื่องราวมีเรื่องราวก่อนแล้วค่อยแสดงหรือว่าอาศัยเขาถามทีนี้พระองค์ก็ทรงทราบว่าบริษัทจะพึงรู้ได้ด้วยอํานาจคําถามคือพวกที่จะบรรลุธรรมะเนี่ยจะเข้าใจก็อาศัยต้องมีคนถามก็ทรงดําริตต่อไปว่าจะมีใครบ้างไมหมเนอที่จะสามารถกําหนดอัธยาศัยของเทวดาทั้งหลายแล้วถามปัญหาตามจริตพระองค์ก็ทรงเห็นว่าบรรดาภิกษุห้าร้อยรูปแม้เหล่านั้นแม้แต่รูปเดียวก็ไม่สามารถ ภิกษุที่อยู่ในที่ประชุมนั้น500ร้อยเนี่ยนะไม่สามารถถามคาถามได้แล้วก็ทรงหวนระลึกถึงพระสีติมหาสาวกแปสิรูปเนี่ยนะแล้วก็พระอ克拉สาวกภาษาริบทพระโมคคัลลานะก็ทรงเห็นว่าท่านเหล่านั้นก็ไม่สามารถคือไม่สามารถตั้งคาถามถามแล้วเทวดาบรรลุได้อะก็ทรงดริตต่อไปว่าหากหากเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเล่าจะสามารถหรือไม่หนาคือให้พระปเจกมาถาม แม้พระประเจกกับพุทธเจ้าก็ไม่สามารถถามว่าเอาแล้วจะให้พระประเจกมาได้ไงพระองค์ก็เนรมิตขึ้นไงแต่นี้เนื่องจากว่าพระประเจกถามก็ไม่บรรลุได้ก็เลยหัวลึกถึงเท้าส ก, กะเท้าสุยามเนี่ยนะเท้าส ก, กัดก็คือเทวดาชั้นดาวดึงนะผู้เป็นใหญ่ในเทวดาชั้นจา ด, ดาวดึงหรือผู้เป็นใหญ่ในเทวดาชั้นยามาดุสิตนิมานรดีปรินิมิตตวสวสดีเนี่ยองคใดองค์หนึ่งก็ไม่สามารถจะให้ถามได้คือถามแล้ว่啊 ก็ผู้ฟังไม่บรรลุได้ฝันพระองค์จะแก้ด้วยพระองค์เองคือให้คนอื่นเข้ามาถามแล้วพระองค์จะแก้ก็ไม่มีใครมาถามคือไอถามเนี่ยถามได้แต่ถามแล้วไม่บรรลุอย่างที่ที่ประสงค์เนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าก็ทรงรำลรึกว่าพระพุทธเจ้าเช่นเราเท่านั้นพึงสามารถแต่ยังมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นในที่ไหน อีกมีบ้างไหมเนี่ยนะถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นอยู่หรือเปล่าพระองค์ก็แผ่พระยานอันหาที่สุดไม่ได้ไปในโลกธาตุอันไม่มีที่สุดตรวจดูโลกก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นเลยแม้ข้อที่พระผู้มีพระภาคม่ได้ทรงเห็นผู้เสมอด้วยพระองค์ในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์แม้ในที่พระองค์เนี่ยประสูตรก็ไม่ได้ทรงเห็นผู้เสมอด้วยพระองค์ตามในอัตถกถาพรหมชาลสูตรเนี่ยนะ เพิ่นเมื่อพิจารณาดูแล้วไม่เห็นมีใครเสมอด้วยตนเนี่ยจึงกล่าวว่าอักโคห์มัสสมิโลกัสเชโตเซโทห์ม oh ัสสมิเนี่ยนะเป็นต้นที่บอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติที่สุดเนี่ยบัดนี้การเกิดในภพใหม่ไม่ได้มีแกเราเนี่ยก็บอกว่าแม้แต่ตอนประเสริฐใหม่ๆก็ยังไม่มีผู้เสมอเลยว่างั้นจะกล่าวไปยัยถึงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ผันพระองค์ก็มิได้ทรงเห็นผู้อื่นเสมอด้วยพระองค์อย่างนี้แล้วทรงดรั่มเรว่าหากเราถามแล้วเราตอบด้วยตนเองเทวดาเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ถามเองตอบเองก็ไม่บรรลุอีกก็เมื่อพระพุทธเจ้าองค์อื่นถามเมื่อเราตอบจักน่าอัศจรรย์กว่าและเทวดาทั้งหลายก็จักสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์ได้เพราะฉะนั้นจักเราจักเนรมิตรพระพุทธเนรมิตรแล้วก็ทรงเข้าฌานมีอภิญญาเป็นบาตร ทรงกระทําบริกรรมด้วยการมาวจรจิตว่าการถือบาทและจีวรการดูการเหลียวการคู่การเหยียดจงเหมือนเราเถิดนะก็คือเข้าชานก่อนออกจากชานก็มาหากิริยาก็เกิดอธิษฐานพออธิษฐานเสร็จก็เข้ารูปปาวจรจิตอีกว่าขอพระพุทธเนมิตรจงมาดุดแวกมนทนพระจันทร์ซึ่งโผล่ขึ้นจากการล้อมของภูเขายุคคันทรด้านทิศปราจีนเถิด ก็อธิษฐานขึ well ้นอันนี้เรียกว่าด้วยอํานาจมโนมยิทธิเนี่ยนะมูเทพเห็นปานนั้นก็กล่าวว่าดูโน่นท่านทั้งหลายพระจันโผล่ขึ้นอีกดวงหนึ่งแล้วเทวดาเขาเห็นน่ยนะพอใกล้เข้ามามูเทพละพระจันทร์ก็กล่าวว่าไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์พอใกล้เข้ามาอีกก็บอกไม่ใช่พระอาทิตย์แต่เป็นวิมานเทพวิมานขององค์หนึ่งพอใกล้เข้ามาบอกไม่ใช่เทพวิมานแต่เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งใกล้เข้ามาอีกบอกไม่ใช่เทพพระบุตรแต่เป็นมหาพรหมองค์หนึ่ง พอใกล้เข้ามาอีกก็บอกว่าไม่ใช่มหาพรหมเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเสด็จมาจริงก็เป็นพระองค์เนรมิตขึ้นเนี่ยนะอันนี้ต้องใช้อิทธิวิธีใช้ฤทธิ์เป็นอย่างมากเลยนะจึงจะสงเคราะห์เข้าได้บรรดาทวยเทพเหล่านั้นเทพที่เป็นปุตตุชนก็คิดกันว่าการประชุมเทวดานี้จะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวหรือมีถึงสององค์พวกปุตุชนคิดนะนะพระพุทธเจ้านี่มีสององค์หรือมีองค์เดียวกันแน่นะ พวกเทพที่เป็นพระอริยะก็คิดว่าโลกธาตุหนึ่งมิได้มีพระพุทธเจ้าถึงสององค์เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะเนรมิตพระพุทธเจ้าองค์อื่นให้คล้ายพระองค์เป็นแน่พระอริยะเนี่ยท่านรู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์นั้นเทวดาพระพุทธเจ้าที่เสด็จมานี้เป็นพระพุทธเนรมิตลําดับนั้นเมื่อมูเทพกําลังดูอยู่นั่นเองพระพุทธเนรมิตก็เสด็จมาถึงแต่ก็มาถึงก็มิได้ไหว้พระทศพล ก็พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าด้วยกันจะไม่ว่ายกันอยู่แล้วทําเสมอๆกันในที่เฉพาะพระพักแล้วประทับนั่งอาสนะที่เนรมิตไว้นะนั่งเท่ากันนั่งเสมอกันเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหาบุริศลักษณะสาสิบสองแม้พระพุทธเนิมิตก็มีสาสองเหมือนกันมหาุริศลักษณะเหมือนกันหมดพระผู้มีพระภาคเจ้ามีฉัพันรังสีคือรังสีหอย่างเนี่ยสร้างออกจากพระวรกาย แม้พระพุทธนิมิตก็เหมือนกันรัศมีออกมาหกสีด้วยกันเนี่ยนะพระศมีในพระวรกายของพระพุทธเจ้าย่อมกระทบในพระวรกายของพระพุทธนิมิตพระรัสมีของพระพุทธนิมิตก็ย่อมกระทบในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้ารัศมีเหล่านั้นเนี่ยพุ่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เนี่ยจดถึงพระวกระพรม กลับจากพระวกพรมเนี่ยจดบนที่สุดขมอมของทวยเทพแล้วประดิษฐานณขอบปากจักรวาลห้องจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ยไพโรดดุดเรือนเจดีย์ที่ผูกด้วยไม้จันทน์โค้งทําด้วยทองคํานะเหมือนทองคำเนี่ยทวยเทพในหมื่นจักรวาลรวมกันในจักรวาลเดียวกันเข้าไปยืนอยู่ในระหว่างห้องพระัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เนี่ย ก็เทวเทวดามาหมื่นจักรวาลนะ่ะคิดดูนะเทวดามื่นองคนี่ก็เยอะแล้วนะนี่มาจากหมื่นจักรวาลนะ่ะะหาประมาณไม่ได้อะ่ะพันเทวดาทั้งหมดนี่อยู่ในห่วงรัศมีของพระองค์ก็มีคําถามว่าอ้าแล้วเทวดามามากขนาดนั้นพระองค์ตรัสเทวดาจะได้ยินหรือเพราเทวดาทุกองค์ที่ฟังทำเนี่ยเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ากาแรงกำลังแสดงธรรมให้ตัวเองฟังคนเดียวะจะมีความรู้สึกอย่างนั้น เหมือนอะไรเหมือนพระจันทร์ส่องในเวลากลางคืนเนี่ยนะเหมือนส่องให้ใครเหมือนส่องให้เราอยู่คนเดียวนะเหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่เห็นเนากเหมือนกับเราเห็นอยู่คนเดียวนะดวงจันทร์ส่องเนี่ยอาศาัศจรรย์อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเนรมิตรพอประทับนั่งเท่านั้นเมื่อจะทูล ถ, ถามถึงอธิ ป, ปัญญาก็คือถามถึงไตรสิกขาเนี่ยนะกระถังทัสศสีก็คืออธิปัญญาสิกขากระถังสีโลก็คือ อาทิตศีลละศิกขาอุปสันโตกต็อาทิตยจิตสิกขา